พระเวนนากเท่าไหร่พระเท่าไหร่วันนี้พระส0มสิบนากยี่สบปดที่จะบวชวันที่วันที่สองวันที่สองธันวานากยี่สิบแปดตาประขาวหนึ่งวันนี้แต่ทราบว่าผู้บัญชาการเรือนจำจะนำข้าราชการมาบวชแต่ไม่รู้ว่าข้าราชการ สายไหนจะมาบวชจะนําเข้ามาวันนี้นะวันจะมามอบอีกนาคหนึ่งเป็นนั้นว่านาคเป็นยี่สิบเก้านาคนาคที่จะบวชวันที่สองนยี่สิบเก้านาคที่จะเอาออกไปจากวัดเราไปบวชที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีของเราเนี่แหละเพราะนาคที่เป็นนาคหลวง เป็นนาคที่จะบวชเพื่อเป็นการถวายราชชุกุสนในหลวงของพวกเราจะบวชวันที่สองวันที่ห้าธันวาเป็นวันเกิดของในหลวงพวกลกูกหลานพวกเราก็แสดงความจำนงเป็นผู้สมัครรับสมัครบวช เพื่อเป็นการถวายในหลวงวันที่สองธันวาที่มาวัดของเราก็เตรียมพร้อมมาขานนาคเตรียมขานนาคเตรียมจัดอัฐบริขารให้พร้อมเพราะนั้นขอให้พระผี่เลี้ยงช่วยกันนะเรื่องอัฐบริขารอย่าให้ขาดตกบกพร่องหลวงพ่อเป็นห่วงแล้วก็อัฐบริขารของนาคแต่ละนาคถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้ามีผ้าหรือพลาสติกพลาสติกที่ปิดอาหารห่อห อ, หอไว้ทุกอันก็จะดีเหมือนกันมัดไว้ทุกอันก็จะดีเพื่อมาให้กระจัดกระจายขนก่อน ข, อ น, ข, อ น, ขอนย้ายไปถึงวัดโพธิสมพรพอไปถึงวัดโพธิสมพรถ้า บริขารชิ้นไหนที่มันขาดไปเนี่ยเราจะหาที่ไหนต้องวิ่งเข้าตลาดด้วย น, นะมันไม่เหมือนอยู่ในวัดเราอยู่ในวัดเราเนี่ยเอผ้าตะวงมันเ อ, อหลุดมันหายไปมันไม่ครบเนี่ยหรือผ้าอังสะไม่ครบตะกดไม่ครบเนี่ยเราก็จะได้วิ่งลงไปเอาใกล้ๆมาได้อันนี้เราไปในถิ่นไกลเราต้องคิดพระพี่เลี้ยงตกดูให้รอบคอบบริขารทุกชิ้นอย่าให้ขาดตกบกพร่อง เพราะว่าถ้าไม่ไปขาดอยู่ตรงนู้นแหละเราจะหาที่ไหนเพราะท่านเขไม่ได้จัดไว้เหมือนวัดเรานะวัดของเราเนี่ยเป็นสวนกลางเป็นสมบัติใครเข้าเป็นของกลางถ้าองค์ไหนขาดเดือขาดตกก็ลงไปหยิบเอามาใช้ได้แต่นั้นเป็นของใครของเราอยู่ทั้งฝ่ายปริยัตวันนั้เนเวลาบริขารของเราขาดเนี่ย ท่านก็ไม่ได้เตรียมพร้อมของท่านเอาไว้นู่นเข้าไปในตลาดกว่าจะมาบวชได้เสียไปลำเวลาเพราะผ้าบางตัวมันขาดจะมันบวชไม่ได้นะบริขารขาดแล้วบวชไม่ได้นะออ mm hmm. อาจารย์จะถามาายังไงออัยเดปโตอัยังสร้างคาติสังคาติไม่มีทําไงอัยังอุตราสร้างโคนะเออาจารย์ถามผ้าไม่ครบจะทํายังไงก็ต้องหยุดไว้ก่อน ต้องหาให้ครบซะก่อนค่อยบวชเนเพราะนั้นพระพี่เลี้ยงอย่ามองข้ามพวกเราต้องเตรียมให้พร้อมตรวจเช็คแล้วเช็คอีกแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยว่าหนากตอนไหนนามสกุลอะไรฉายาอะไรเพราะนั้นขอให้ช่วยๆกันตรวจตราหนะ้าใกล้ๆวันแล้วก็หลวงพ่อเองเมื่อวานก็เข้าไปไประชุมที่วัดป่าบ้านตาด ทราบข่าวแบบดวนแต่ก็ไม่ใช่หนักหนาอะไรหรอกอย่างที่หลวงตาเป็นนั่นแหะถอดสายยางออกมาแล้วก็มีอาเจียนแต่ที่นอกเหนือกว่านั้นก็คือหลวงตาได้ไป X เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 26. เมื่อวันวันที่ยี่สิบหกเมื่อวันวันที่ยี่สิบเจ็ดไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์วันที่ยี่สิบหก ที่เอกุดอนตอนี้พอคณะแพทย์เขาได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลวงตาแล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์กันว่าหลวงตามีอะไรในท้องบ้างในลำไส้บา้างครับตนี้เขาก็นัดกันไปชุมกันเมื่อวาน เ, นเขาก็อยากจะให้หลวงพ่อไปฟังด้วยเพราะว่าปีการไปหารือกันในการวางแผนรักษาองค์หลวงตา หลวงพ่อได้ฟังแล้วเรากควรน่าจะเข้าไปฟังในความคิดเห็นของแพทย์ของหมอที่จะมีการไปชมกันทั้งศรีนครินทร์ทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรทั้งกรุงเทพด้วยหลวงพ่อก็เลยออกไปจากวัดเกือบเที่ยงเมื่อวานนะไปถึงตอนนี้นก็บ่ายโมงวมกว่าๆอย่างนั้นก็ได้หารือกันกันกบคณะแพทย์ แล้วก็เมื่อวานก็ฟ้าหญิงเสด็จด้วยก็มากราบองค์หลวงตากราบเยี่ยมองค์หลวงตาตอนบ่ายสามพวกเราก็ไปประชุมหารือกันตอนเกือบบ่ายสองพอได้ข้อยุติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝ้าหญิงเสด็จคณะแพทย์ก็เข้าไปกราบทูลฟ้าหญิงส่งตัวแทนเข้าไปกราบทูลการรักษาองค์หลวงตาเนะี่ยรักษาอย่างไรฟ้าหญิงท่านก็ เรียนให้ท่านท่านก่อนรับทราบแล้วกการดำเนินการขั้นตอนต่อไปท่านจะทำยังไงอันนี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านเสด็จกลับแล้วเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ถามคณะแพทย์อีกบอกว่าวันนี้แหละคือคณะแพทย์อุดรศรีนครินกรุงเทพบางส่วนประชุมหาหรือกันแล้วจะต้องปรึกษา แพทย์ทางกรุงเทพที่เป็นผู้ชำนาญการอีกต่างหากเนี่ยผู้ชำนาญการก็คือทางเดินอาหารถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงเอกชเลัยเห็นอย่างนี้เป็นยังไงอาจารย์หมอทางศิริราชทั้งจุลาก็จะวิเคราะห์ อ, ออกมาว่าที่ทางหมออุดรนนรายงานไปเนี่ยทางหมอกรุงเทพมีความเห็นอย่างไรจะรักษาอย่างไรวันนี้ ทางหมอกรุงเทพก็จะให้ความคิดเห็นมาแล้วก็หมออุรกับหมอคอนแก่นจะร่วมกันไปชุมอีกวันนี้ประมาณสักสิบสิบโมงเช้านะเขาคนิมนต์หลวงพ่อเข้าไปร่วมไปชุมอีกขอให้หลวงพ่อเข้าไปร่วมประชุมฟังกับคณะแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะเตรียมเข้าไปร่วมฟัง ในการประชุมรักษาสุขภาพองค์หลวงตากับคณะแพทย์วันนี้ได้นัดร่วมกันประชุมหารือกันแต่ทีนี้เรื่องสุขภาพของหลวงตาเป็นยังไงตามที่หลวงพ่อเข้าไปกราบเมื่อวานนี้ท่านก็หน้าตาของท่านก่อนนั่นแหะท่านไม่มีทุกข์กว่านั้นหน้าตาจดใสไม่มีทุกข์สรุปแล้วแต่ว่าเรื่องธาตุขันเนี่ย โอ้รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเราเขาอดโอยพอสมควรน่ะแต่ก็มีอาเจียนออกหลายครั้งมเมื่อวานสองสามครั้งแต่เห็นอาเจียนที่ออกมาแล้วก็เห็นในที่เขาเก็บไว้ในที่เก็บอาเจียนของท่านเห็นแล้วเออแล้วก็หมอ การรักษาต่อไปขั้นตอนต่อไปหลวงพ่อก็ได้ถามว่าเนี่ยในความคิดคิดเห็นของหมอศีนกรืรินหมออุรอนร่นจะรักษาอย่างไงและฟิล์มเอ็กซเคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรหมอ ก, ก็ให้ชี้นำชี้แนว่าเขาก็ยังลงสันนิษฐานอย่างเก่าคือตับอ่อนตับอ่อนอักเสบแล้วก็มี น้ำอยู่ที่กำบังลมทางด้านซ้ายให้ค่าว่าทำให้ปอดเป็นฟ้าหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับน้ำท่วมปอดนะเป็นฟ้าก็คงจะมีน้ำแล้วก็พร้อมกันก็ปีค์ออกมาว่าคงจะเกี่ยวกับเส้นเลือดไปเลี้ยงกระเพาะที่เคยพิการมาก่อนหน้านี้และก็ที่เห็นเห็นอยู่จุดหนึ่งก็ตรงลำไส้เล็ก มันเหมือนกับคลอดคล้ายๆกับคล้ายๆว่ามีอะไรรัดลำไส้เล็กอาจจะมีส่วนไหนอักเสบหรือเปล่าหรือลำไส้อักเสบหรือเปล่าหรือวมปมีผังผืดไปรัดหรือเปล่าดูตามแผนเอ็กซเลย์คอมพิวเตอร์นั้นในการรักษาก็คงจะไปอย่างเดิมก็คงจะสอดสายยางเข้าทางจมูกทางลุงตาอนุญาต แล้วก็จะดูดน้าออกจากกระเพาะแต่ว่าสายยางนั้นคงจะเป็นสายสองเส้นแต่อยู่ในเส้นเดียวกันคือสองรูสองรูอยู่ในเส้นเดียวกันพอ ส, สอดเข้าไปแล้วก็เส้นหนึ่งจะแย่ยาวลงไปถึงลำไส้เล็กแต่เส้นหนึ่งจะอยู่ในกระเพาะเส้นที่อยู่ในกระเพาะนั่นคือคือจะดูดน้าออกมาจากกระเพาะรูหนึง่งแต่รูหนึ่งก็จะ ให้สารอาหารเพราะว่าทางหน้า อ, อกเคยให้สารอาหารที่ทางหน้า อ, อกนั้นตามปกติก็เจ็ดวันก็เต็มที่อยู่แล้วแต่ล้งตาเนี่ยสิบวันกระทำต่อไปกระแทกขื่นเอาให้มากกว่านั้นก็คงจะอักเสบคงจะจาเป็นจะต้องได้ถอดสายยางเข้าทางเส้นเลือดใหญ่ทางหน้า อ, อกสองเส้นคือเส้นหนึ่งก็คือสารอาหารเส้นหนึ่งก็ เป็นน้ำเกลือยาปฏิชีวนะเข้าไปสองเส้นพร้อมกันอันนี้หลวงพ่อก็ได้ถามในรายละเอียดกับหมอหมอก็ให้คำชี้แจงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ว่าถามว่าตรงตาหน้าวิตกไหมอันนี้มันก็สุดแท้แต่จะเดามันเดาไม่ออกเหมือนกันตรงตาอายุมากถึงขนาดนี้แล้วแต่อยู่ในท้องก็มีแต่กลางต่างคนก็ต่างเดากันว่ามีอะไร จะหนักหนาขนาดไหนแต่ดูแล้วก็ต้องหนักแน่นะ่ะอายุลงตาถึงขนาดนี้ไม่ได้ฉันอาหารมาเป็นเวลาสิบสามวันมื่อวานวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ถ้าท่านไปฉันวันนี้แต่ก็ให้สารอาหารทางเส้นเลือดแ ต, แต่ก็ส่วนอื่นเท่เนะคณะสิทธ์ฝ่ายพระสงฆ์ก็ดูดูแล้วก็อบอุ่นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานต่างคนก็ต่าง ถวายชีวิตเลยมันถวายหัวเลยทุกคนดูๆแล้วเอรักเคารพในองค์หลวงาตาคณะสัตว์ทายาทโยมก็เหมือนกันพวกคณะแพทย์คณะหมอก็เหมือนกันทํากับองค์หลวงาตาด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะเหตุไดพวกใครก็กลัวบาปเหมือนกันใครก็อยากจะได้บุญนะพูดง่ายๆแตไม่ไมีไม่มีใครที่จะทําแบบออแบบไม่เคารพอย่างนั้นไม่มีเห็นแล้ว ทำด้วยความนอบน้อมทำด้วยความเคารพเมื่อทําสิ่งไหนออกไปที่จีร่อแหลมอย่างนี้พอเสร็จแล้วท่านก็พวกหมอพวกพยาบาลก็ยกผงมาลายพุ่มดอกไม้กาบคารวะองค์ลุงตาย่าให้ลูกหลานได้เป็นบาปเป็นกล้ำทุกครั้งที่ทําอะไรที่หนักหนาบางที่สอดไา ย, ยางเข้าไปอย่างนี้ เ, ออเรียกว่าฉีดเข็มเข้าไปอย่างนี้ อหรือว่าทำแผลที่จะทําให้หลวงตาเจ็บปวดอย่างเนี้เขาเหล่านั้นก็ได้คารวะหลวงตาทุกครั้งหลวงพ่อเห็นนแล้วก็เป็นที่ส บ, บายตาส บ, บายใจแต่ทุกอย่างพูดได้เลยว่าการที่จะทําสิ่งไหนกับองค์หลวงตาที่ผ่านผ่านมาที่หลวงพ่อเห็ น, นี่ยจะต้องขออนุญาตจากหลวงตาก่อนจะไม่ได้ทดําโดยพระการจะไม่ได้ทําด้วย ว่าหน้าที่ของหมอต้องทำอย่างนี้จะต้องปฏิบัติกับต้องทำอย่างนี้เพราะหน้าที่ของหมอจะไม่มีอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะฝ่ายพระสงฆ์ที่ยืนที่นั่งอยู่นั้นก็รักครบรในองค์หลวงตาแล้วก็ต้องขออนุญาตซะก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทำอะไรลงไปเวราะะั้นพกหมู่ทุกเหล่าเมื่อได้ยินแล้วก็ ให้ฟังเอาไว้เพราะงันแท้อืมให้ฟังพอได้รับอนุญาตจากหลวงตาก่อนแล้วก็ค่อยทับอันนี้ก็คือการเจ็บให้ได้ป่วยหลวงตานะและก็พร้อม ก, กันกับเรื่องนาคที่จะมาบวชวันที่สองที่นั่งเต็มอยู่เนี่ยยี่สิบแปดนาคเน่นะก็ขอให้ตั้งใจเนะี่ยพวกนาคทั้งหลายเราบวชคราวนี้บวชครั้งนี้ มีความหมายบวชเพื่อเป็นการถวายกุศลในหลวงครบรอบแปดสิบสามพันษาแล้วก็พร้อมกันเราก็ทำบุญทำบุญเพื่อเราอีกต่างหากเราบวชคราวนี้ก็เพื่อบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามหลักของพุคพรศาสนาก็พร้อมกันก็เรา กุธิส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงาายาาวศาคณาญาติญาติพิษสหายของเราด้วยเพราะการบวชในครั้งให้มีความหมายตระกูลของเรานามสกุลของเราเข้ามาบวชเพราะนั้นเราจะไปทําแบบสมัครเล่นเฉยๆทาแบบรอๆเลยแหละอันนั้นแปลว่าไม่จริงจังและไม่จริงใจทําสิ่งไหนก็ตามทําไม่จริงจังและไม่จริงใจแล้วผลที่ออกมามันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเหมือนกับคนทํา ไร้ทำนาทำรั้วทำสวนรําทำราชการงานเมืองประเภทไหนก็เถอะถ้าทําลอยๆละแหละทําด้วยความไม่ตั้งใจทะเลทะลายไปเลยผลที่ออกมาเนี่ยเป็นที่ตําหนิของคนทั้งหลายและเขาไม่ภาคภูมิใจของตนเองอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะทําด้วยความไม่ตั้งใจแต่ทําทถึงไหนที่ตั้งใจบวชบวช ด, ด้วยความตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาสอนว่ายังไงศีล รักษาอย่างไรชื่อสัตว์กับตนเองในการเป็นอยู่เมื่อมีอะไรถ้าสงสัยก็ถามถามครูบาอาจารย์ถามพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติอย่างไรถ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจากนั้นก็บาเพ็ญทางจิตภาวนาเพราะเราเป็นพระกรรมฐานภาวนาทำอย่างไงก็ศึกษาท่านแนะนำอย่างไงเราก็ปฏิบัติอย่างนั้น ให้ภาวนาเมื่อเราไม่ภาวนาเนยเรามาอยู่เฉยๆบวชเข้ามาอลไรคิดว่าจะได้บุญทีเลยไม่ได้นะเราต้องบําเพ็ญลองเราต้องบําเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาของเราถ้าเราไม่บําเพ็ญถ้าเราไม่สะสมบุญกุศลบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามธรรมคาสอน ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้รักษาศีลอย่างไงทำสมาธิอย่างไงวิปัสสนาปัญญาในหลักองของพุทธศาสนาเนี่ยทอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษานะแล้วก็พร้อมกันเรากำลังระลึกถึงคุณบิดามารดาของเราพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาจนถึงขนาดนี้เราเห็นพวกเด็กๆไหม ที่พ่อแม่เขาเลี้ยงทันุถนอมกอมเก่าขนาดไหนเราเนี่ยก็ไม่แพ้เด็กๆที่เกิดมาใหม่เหมือนกันเพราะนั้นบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของท่านใช้ร่างกายของเราเนี่ยบวชมาในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ทดแทนพระคุณของท่าน บุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยนะพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทดแทนพระคุณของท่านนะแต่จะให้ไล่เลียงตามลาดับเนะี่ยบุพการีจุดนี้เนะี่ยมีหลายระดับนะมีหลายระดับถทำไมชำไมจึงว่ามีหลายระดับเพราะผู้มีบุญคุณสาหรับเราเนะี่ยมีหลายระดับเหมือนกัน ระดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองและประกาศพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้โงกนี่อันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ควรนะ พระสงฆ์เป็นผู้ชี้นําชี้แนะให้แก่พวกเราเพราะนั้นอันนี้ก็คือบุพการีอันหนึ่งเหมือนกันบุพการีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้แนะนําสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรให้แก่เราได้ศึกษาบุพการีที่สองก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถ้าว่าพวกพระเจ้าแผ่นดินทุกระดับให้ทําให้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองให้พวกเรา พระพุทธศาสนาก็ไม่มี เ, เพราะว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนา ย, ยืนยงหยุดได้ทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์รักษามาตั้งแต่นู่นหลักสีลาจารึกที่พวกเราได้อ่านได้ศึกษานะพ่อขุนศรีอินทรา t h i พ่อขุนลามกําแหงจากนั้นก็กรุงศรีอยุธยารักษามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทุกวันนี้ คือรักษาพระพุทธศาสนาให้รักษาอยู่คงเส้นคงวาจากนั้นก็ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้ก็เพาะนี้เพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็เป็นบุพการีอันหนึ่งที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้พวกเราได้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือเราจะแสดงความ กตัญญูะตะเวทิตายอย่างไรนี่แหละคณะนาคทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่บวชในคราวนี้กันเนี่ยเราแสดงความกตัญญูะตะเวทิตาต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านปกครองประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะในหลวงของเราพ่อบรมวงศสานุวงศ์ที่ปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกจาบันจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็คือเป็ น, ปนบุพการีอันหนึ่งเหมือนกัน เราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอย่างไรอันที่สามก็คือพ่อแม่ของพวกเราที่ให้กำเนิดพวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พวกเราไม่ได้เกิดมาจากจอมปลวกโพรงไม้พอเกิดมาแล้วพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูขนาดไหนเอาเอาหงอาหารการบริโภคดูแลอย่างพวกเราเห็นเลี้ยงดูกเป็นยังไง พ่อแม่เลี้ยงเราก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็บุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คื อ, คอบิดามารดาของพวกเราพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาต่อท่านอย่างไรอย่าให้ท่านหนักใจกับเราอย่าให้เป็นทุกข์ใจกับเราเรามีอะไรเมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเราควรจะมีอะไรไปทดแทนพระคุณของท่าน เราหาเงินคำทรัพสมบัติอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันไหนที่จะพ่อแม่ของเราจะได้ใช้เราก็นำสิ่งนั้นไปเพื่อบูชาพระคุณของท่านท่านเป็นบุพการีเป็นบุคคลปุ่มมีอุปการะก ร, กรอันนี้ก็คือพ่อแม่จากนั้นกับครูอุปชาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างองค์หลวงตาเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อ ท่านแนะนำสั่งสอนหลวงพ่อให้รู้จักธรรมะปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาจนถึงสอนจนถึงความหลุดพ้นเนี่ยท่านสอนอย่างหลวงปู่ล่าอย่างนอุปชาอาจารย์ท่านสอนธรรมะให้แก่เราเราได้ศึกษาธรรมะจากท่านอันนี้ก็เป็นบุพการีอันหนึ่งเหมือนกันเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตากับองค์ท่านเหล่านั้นอย่างไรเพราะ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็คือบุพการีส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นบุพการีที่หลวงพ่อได้เรียงลำดับให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆออ์ถ้าพวกเราไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่รู้บาปบุญคุณโทษพ่อแม่วัยวุฒคุณอาวุธเป็นอย่างไร ในพระพุทธศาสน า, าท่านสอนให้พวกเราได้ศึกษาอันนั้นคือบุญคุณอย่างยิ่งคือบุพการีอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันดับที่สองก็คือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สืบทอดกันมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอันที่สามก็คือพ่อแม่ของพวกเราที่เลี้ยงดูเรามาอันที่สี่ก็คือครูบาอาจารย์พระอุปชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จัก สีล ร, รู้จักทำนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราแสดงความกตัญญู่ทตะเวทิตาอ่อนน้อมถอมตนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดนะถ้าเราไม่คิดแต่ถ้าคนพวกไหนก็ตามถ้าคนโง่ใช้อย่างเนี่ยมันจะไม่คิดถ้าคนมีปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรอบขอบก็ยิ่งคิดเห็นบุญคุณมากถ้าว่าเป็นคนโง่แล้วจะไม่คิด มองไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะสายตาสั้นการศึกษาใจของเราเนี่ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเกิดปัญญาแล้วจะมองเห็นอันนั้นเป็นพิษอันนั้นเป็นภัย อ, นนอันนั้นเป็นโทษอันนั้นเป็นคุณมองเห็นเพราะฉะนั้นขอให้ที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อจะให้พวกเรามองมองไกลมองรอบด้านมองรอบครอบมองแล้วก็นะให้มองเห็นพระคุณอันไหนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรกับพระคุณเหล่านั้น ถ้าพวกเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจนึกคิดขึ้นมาเวลาใดก็สบาย อ, อกสบายใจกับสิ่งที่เราได้พบได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องเหล่านั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกหลานทุกคนนะบวชในคราวนี้ให้จริงจังและจริงใจให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์จริง ให้อยู่ตามหลักธรรมคำสอนอย่าสร้างปัญหาอย่าให้มีปัญห า, เ, าเรื่องปัญหานะ่ะเพียงเดือนเดียวเราต้องใช้ขันติคือความอดทนใช้สติปัญญาใช้ความอดทนของเรานะนะัา่นแหะไปอยู่นัสถานที่ใดมันก็อย่างที่พวกเราเห็นนั่นะหไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายทุกอย่างพอมาอยู่จุดนี้เราสู้กับอะไรเราอดทนกับอะไร การบวชในสู้กับความคิดนะลูกหลานนะอณาศรัทธาญาติโยมนะไม่ได้สู้กับอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ได้ทําการทํางานไม่หนักหนาแต่ว่าความคิดในจิตใจไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเยพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาวจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดความคิดปรุงฟุ้ง อยู่ตลอดเวลามันอยู่ลําบากนะ uh, อยู่ลาบากถ้าคนท้าคนคิดปุงฟุ้งอยู่ตลอดอยู่ไม่ได้เอ uh, สู่ความคิดตัวเองไม่ได้ผลที่สุดก็เพ่นเหมือนกันนะ่ะเพราะนั้นต้องตรวจตราดูความคิดของตัวเองเราคิดเพื่ออะไรมันมีสาระมีประโยชน์ไหมเรื่องอย่างนี้ uh, แต่บางคนขณะที่คิดโอ้สร้างสวรรค์สร้างวิมานสร้างอะไรไปหมดพอออกไปก็เท่าเก๋า ก็ไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ทําไมใจของเราจึงหลอกเราถึงขนาดนี้วะที่ไหนได้ตกเขมนไปแล้วแต่อยู่อีกเมื่อบวชเป็นพระเนี่ยโอ้โหอยู่ในวัดเนี่ยคิดปรุงฟุ้งไปเหมือนกับอยู่ข้างนอกบนสวรรค์วิมานอย่างนั้น่ะพอออกไปเลยไปย่ําต๊อกอีกอย่างเก่าเพอเพอจะไม่มีอันจะอยู่จะกินก็คิดถึงเอทางเก่าอีกเออนี่ยเพราะเหตุไรนี่แหละ ให้ระวังความคิดอย่างนั้นที่มันจะหลอกตนเองเพราะฉะนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ทำเอาพวกเราคิดดีใช้เหตุผลในการคิด ใ, ใช้ปัญญาในการคิดแล้วจิตใจของเราจะสงบมีเหตุมีผลในตัวนะเพราะฉนั้นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและก็พร้อมกันก็ได้กล่าวเกี่ยกวกับการ อาพาธขององค์หลวงตาให้เกียรพวกเราได้ฟังนะเพราฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะได้เข้าไปร่วมไปชุมกับคณะแพทย์ที่จะรักษาองค์หลวงตาต่วนจะค้างหรือไม่นั้นก็ยังคิดอยู่อีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกพระรัตนะพวกหมุกพระทั้งองค์ช่วยๆกันดูแลเรื่องนากนะเรื่องนากหลวงพ่อก็ห่วงนั้นห่วงนี้เหมือนกันนะ ไปทางหน้าก็ห่วงหลังเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องได้คิดถ้าไม่ไปทางนู้นก็ไม่ได้เรื่องนั้นหลวงพ่อว่าสาคัญกว่าและเรื่องขององค์หลวงตาเนะี่ยจาเป็นสาคัญอย่างยิ่งสำหรับหลวงพ่อเองนะแล้วก็เรื่องนี้ก็สาคัญเหมือนกันแต่ว่าให้ผู้อื่นทาแทนก็คงจะได้จุดนี้ประารงขอให้พระทุกองนะคือถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองนะช่วยกัน ตลอดถึงพวกคณะทัดทาญาติโยมที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะผู้อยู่ใกล้ๆก็ช่วยๆกันดูนะสิ่งไหนที่ขาดตกบกพ่องก็ช่วยกันดูอันรับพร อ, นอนันโมท น, นาให้พร